อันทมยังอริยธนาคาทาโยภนามเสมยัสสะสัทธาตะถาคะเตอาจาราสุปติทิตาสัทธาในพระตาถาโคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว สีลันจยัยสกลานางอาริยกันตังปัสสังสีตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอาริยเจ้าสังเคปัสสโทยัสถิอุชุภูตันจะทัสนัง ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพประสงค์และความเห็นของผู้ใดตรงอาาลิโทติตังอาหูอาโมคันตัสชีวิตังบันดิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมัน ตัดสมาสัทธันจะสีลันจปะปาสสะทังธรรมทัสสนังอนุยุนเชธาเมธาวิสรังพุทธานศาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธำรให้เนืองเนือง